ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรอยสาน ร, ร่วมเป็นเกียรติในงานส่งมอบโครงการท่องเที่ยวพลสูงนิเวเศเกษตรขอบเมืองซึ่งจัดโดยธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชน วันที่สิพฤษภาคมสองพสถาบันวิจัยและพัฒนามทรอีสานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดรนิคมบุญยานุสิทธิ์คณบดีคณะศิลปรกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมและอาจารย์จากมทรอีสานได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานส่งมอบโครงการพนสูงนิเวเศเกษตรขอบเมืองซึ่งจัดโดยธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนในโครงการ make the difference เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนนาบ้านพลสูงตําบลหมื่นไวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราช 事嘛。 โดยธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนในมอบทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการท่องเที่ยวพลสูงนิเวศเกษตรขอบเมืองซึ่งโครงการนี้มทรอีสานและชาวบ้านพลสูงได้ร่วมกันจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสนับสนุนให้ประชาชนมีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ธนาคารทหารไทยอาจารย์และนักศึกษามทรอีสานและชาวบ้านพนสูงได้ร่วมกันสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวพลสูงนิเวศเกษตรขอบเมืองโดยการ ส ร, สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างเส้นทางการท่องเที่ยวเช่นสร้างสั ญ, ญลักษณ์บอกเส้นทางปั่นจักรยานสร้างที่จอดรถจักรยานตามจุดสร้างห้องน้ำรวมทั้งแต่งเติมสีสันและประดับของตกแต่งตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนจึงได้จัดพิธีส่งมอบงานโครงการท่องเที่ยวโพลสูงนิเวเศเกษตรขอบเมืองให้กับชาวบ้านพลสูงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนต่อไปชิสุภาพประหาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานรายงาน Facebook วางแผนเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัล Global Call ในปี2563 Facebook i n เปิดเผยว่า บริษัทเตยมตัวเปิดสกุลเงินดิจิทัลของ Facebook เองในปีหน้าโดยวางแผนที่จะติดตั้งระบบชำระเงินดิจิทัลในหลายประเทศภายในไตรมาสหนึ่งของปี 2,563 Facebook วางแผนจะเริ่มทดสอบสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อว่า g o b o c ลคภายในช่วงสิ้นปี 2,562 นี้โดยทางบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของแผนการดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนทั้งนี้ในมาร์สคาเบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Facebook ได้เข้าหารือกับนายมาร์ค n า y นีผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยหารือกันถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดตัวสกุลเงินดังกล่าวนอกจากนี้ Facebook ยังได้ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการและประเด็นด้านกฎหมายจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐขณะเดียวกัน Facebook ยังได้เจรจา ก, กับบริษัทที่ทาธุรกรรมทางด้านการโอนเงิน w e เ t e r n เ n i o n เพื่อหาวิธีการที่รวดเร็วและราคาประหยัดสำหรับการทำธุรกิจโดยไม่ต้องใช้บัญชีเงินฝากเพื่อโอนหรือรับเงินรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นรกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี